สิะะบหศีลพัตะปามา m a ศีลพัตะปามา ต, ะะ ต, ามาตคือถือศีลบำเพ็ญพรตอย่างงมงายทำแบบรูปๆคลำคลำคำว่ารูปๆคลำคลนั้นถ้าเราจะคลำใครสักคนเราก็รูปคลาข้างนอกเขาเข้าไม่ถึงจิตถึงใจดังนั้นศีละพะตัตะปามา m a คือเน้นรูปแบบที่เปลือกไม่ถึงแก่นของการปฏิบัติเช่นต้องทำอย่างนี้แล้วดีเดินท่านี้แล้วดีต้องกินอาหารแบบนี้แล้วดีต้องไม่กินอย่างนี้ถึงจะดี บางคนคิดว่ากินเจถึงจะภาวนาดีส่วนการปฏิบัติที่ถูกต้องดูที่ใจไม่ใช่ดูภายนอกถ้าจิตใจถูกต้องแล้วภายนอกอะไรก็ได้